ตอนที่73สิบสาบานอีกแล้วฉันอิจฉาเธอเหรอลีชิงพิงหัวเราะออกมาด้วยความโมโหระหว่างพวกเธอสองคนกันแน่ที่ใครอิจฉาใครหลิวเคอเคอร์จงใจพูดจาเหลวหลายไร้สาระชัดลีชิงพิงฉันรู้ว่าในใจเธอมีความแค้นต่อฉันเธอจะลงที่ฉันยังไงก็ได้ไม่เห็นต้องลงมือกับเคอเคอร์เลยตอนนี้ในท้องเธอก็มีลูกอยู่เธอไม่กลัวว่าจะต้องตายทั้งกลมหรือไงโจจี้เย่เ อ, อ่ยปากต่อว่าทันทีเขาตําหนิว่าลีชิงพิงใจคอโหดเยี่ยมเกินไป ความแค้นมีต้นสายนี่มีเจ้าของมีเรื่องอะไรก็ให้มาลงที่เขาไม่เกี่ยวกับคนอื่นโจเจี้เย่ประคองหลิวเคอเคอให้ลุกขึ้นอย่างระมัดระวังพางถามด้วยความกังวลว่าเธอเป็นอะไรไหมหลิวเคอเคอร์อพิงร่างที่อ่อนแรงเข้ากับตัวโจเจี้นเย่น้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความกังวลลูกจะเป็นอะไรไหมคะเมื่อกี้เหมือนฉันจะล้มกระแทกเจียนเย่ฉันกลัวจังคะ่ะไม่เป็นไรหลอกลูกของเราเป็นคนมีบุญย่อมมีเทวดาคุ้มครองต้องไม่เป็นอะไรแน่เธออย่ากลัวเลยเดี๋ยวฉันพาไปตรวจที่โรงพยาบาล โจเจี้ยนเย่ปลอบโยนอย่างอดทนเขากาลังจะ ก, ก้าวเท้าเดินจากไปแต่คราวนี้ไปหลีชิงผิงที่ไม่ยอมให้พวกเขาไปก่อนหน้านี้หลีชิงผิงต้องทนอัดอัน้นใจมาไม่น้อยหนิวซูเฟินพูดอะไรเขาก็เชื่อไปหมดผลสุดท้ายตอนนี้พวกเขาทั้งคู่ก็อยากกันแล้วหลิวเคอเคอยังจะมาสาดทนใส่เธออีกใครจะไปทนไหวหลีชิงผิงมองหลิวเคอเคอด้วยสายตายเย็นชาเธอนี่แสดงละครเก่งจริงๆนะเมื่อกี้เห็นเอยู่ว่าเธอเป็นฝ่ายจับมือฉันไว้ฉันยังไม่ได้ทําอะไรเลยเธอก็ล้มลงไปกองกับพื้นเองแท้ เธอพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงหรือจะบอกว่าฉันจงใจทำร้ายลูกตัวเองหลิวเครอรเคอรู้สึกว่ามันน่าขำลองถามดูเธอว่าคนเป็นแม่ที่ไหนจะทำเรื่องแบบนี้ได้แล้วเธอหล่ะจะฆ่าลูกสาวตัวเองลงเหรอหลีชิงผิงกลายเป็นคนชั่วในพริบตาเหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจไม่น้อยจะมีคนรอบพังเรื่อมายืนมุมดูเรื่องสนุกพวกเขาทุกคนต่างรู้ดีถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งสามหลีชิงผิงหลิวเคอเคองจงใจชัดๆ โจจี้เย่ขมวดคิ้วแน่นเขารู้สึกว่าไม่จําเป็นต้องเสียเวลายอยู่ที่นี่อีกควรจะรีบไปตรวจที่โรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าลูกไม่เป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่สําคัญที่สุดลีชิงพิงขวางทางไว้ไม่ยอมให้พวกเขาไปในเมื่อยังพูดกันไม่รู้เรื่องก็ห้ามใครไปทั้งนั้นชิงพิงอย่าถือดีว่าผู้ชายของเธอเป็นผู้พันแล้วจะมาทําอะไรตามใจชอบที่นี่เขตทหารไม่ใช่ของเจิง้งอวินฉงคนเดียวเสียหน่อยเกิดอะไรขึ้นเหรอเฮอเมียผู้พันเจิง้งผักเมียผู้พันโจ น, นะสิ จริงเหรอพวกเธอไม่ได้ท้องอยู่ทั้งคู่หรอกเหรอลงไม้ลงมือกันแบบนี้ไม่กลัวจะกระทบกระเทือนเด็กในท้องบ้างหรือไงความแค้นของผู้ใหญ่มาสะดึงเด็กเข้าไปเกี่ยวด้วยเสมอแหละเสียงสุบซิบดังขึ้นรอบทิดหลีชิงผิงสูดลมหายใจเข้าลึกๆโจเจี้เย่สมองของนามน ง, งมันโง่เง่าสิ้นดีคิ้วที่ขมวดมุ่นของโจเจี้นเย่ยิ่งขมวดหนักกว่าเดิมไม่มีใครชอบให้คนอื่นมาชี้หน้าด่าว่างโง่หรอกเธอจะเลิกลาได้หรือยังฉันไม่เอาความผิดเธอก็ดีเท่าไหร่แล้วนี่ยังจะมาได้คื้นจะเอาสอกอีก ตกลงว่าใครจะเอาความใครกันแน่น้ำเสียงทุ้มต่ำทรงพลังของเจิ้งอวิน๋นชงดังขึ้นหลีชิงถิงยืดหลังตรงขึ้นโดยไม่รู้ตัวน้ำเสียงของเธอฟังดูออดอ้อนและอัดอั้นตันใจขณะพูดกับชายหนุ่มคุณมาเสียทีในตาสีดําสนิทของเจิ้งอวิน๋นชงหดบูบเขาคว้าตัวเธอเข้ามากอดในอ้อมแขนด้วยความสงสารผมมาสายไปหน่อยอย่ากลัวเลยนะด้านหลังของเขายังมีหลีหวันเดินตามมาติดติดหลีหวันออกมาตามคําสั่งของคุณย่าเพื่อเอากระติกน้ํามาให้แม่ สถานการณ์คร่าวๆพวกเขาได้ยินชัดเจนหมดแล้วหลหวันจ้องมองหลิวเคอเคอที่อยู่ในอ้อมกอดของโจเจี้ยนเย่ยี่นี่มีพิรุษผู้พันเจิงมีเรื่องอะไรค่อยคุยกันทีหลังเถอะครับผมต้องพาเมียไปตรวจที่โรงพยาบาลก่อนโจเจี้ยนเย่มองทั้งสองคนที่อิงแอบกันแล้วรู้สึกอึดอัดในใจอย่างบอกไม่ถูกผมดูแล้เมียคุณก็ยังปกติดีอยู่นี่ถ้าค่อยคุยกันทีหลังเกรงว่าจะเกิดปัญหาที่ตามมาโดยไม่จําเป็นมีอะไรก็พูดให้ชัดเจนเสียตอนนี้เลยดีกว่าเจิงอวินฉงกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่น ผมเชื่อว่าเมียผมไม่มีทางผักหลิวเคอเคอร์อแน่ต่อให้ผลักจริงก็ต้องเป็นพระเมียคุณพูดจามไม่เข้าหูชิงพิงของผมเป็นคนซื่อสัตย์และจิตใจดีที่สุดตรงกันข้ามกับเมียคุณที่จิตใจชั่วร้ายเรื่องราวข้างในจะเป็นยังไงกันแน่เกรงว่านอกจากพวกเธอสองคนแล้วคงไม่มีใครรู้หลิวหวานได้ยินดังนั้นก็มุมปากกระตุกพ่อของเธอพูดด้วยแทงใจดําจริงๆคําพูดนี้จงใจบอกให้ทุกคนรู้ว่าเรื่องนี้มีเงื่อนงำและเป็นฝีมือของหลิวเคอเคอที่กุ้เรื่องขึ้นมา ลี่ชิงผิงเองก็หลุดคํากับคําพูดของชายหนุ่มอารมณ์ขุนมัวเมื่อครูหายไปเป็นปลิดทิ้งหลิวเคอเคอโกรธจนตาแดงกำ่ำเจิ้งอวิน๋นฉงก็มีแต่คุณนั่นแหละที่คิดว่าเมียตัวเองเป็นคนดีคนอื่นเขาจะคิดแบบนั้นที่ไหนกันหนูก็คิดว่าแม่ของหนูเป็นคนดีค่ะหลิวหวันช่วยเสริมทับอย่างเต็มที่คุณนั่นแหละที่เป็นคนเลวนางผู้หญิงชั่วที่ทําลายครอบครัวคนอื่นแต่ก็ณนะตอนนี้หนูต้องขอบคุณคุณเสียด้วยซ้ําที่ทําลายครอบครัวหนูไม่อย่างนั้นแม่หนูก็คงไม่่ได้้เเจจอออคุณพงหก หลี่หวันเลิกคิ้วหลิวเคอเคอเมื่อกี้คุณบอกว่าตัวเองล้มไม่ใช่เหรอแต่ฉันเห็นคุณเถียงชอดชอดเสียงดังฟังชัดขนาดนี้ดูไม่เหมือนคนเจ็บตรงไหนเลยนะหลิวเคอร์เคอร์ถลึงตาใส่หลี่หวันอย่างเคียดแค้นนอกจากหลี่ชิงผิงแล้วยังมีหลี่หวันที่น่ารังเกียจอีกคนโชคดีที่เด็กนี่ไม่ได้ตามโจวเจียนเย่มาด้วยไม่อย่างนั้นหลิวเคอเค่อรคงอกแตกตายแน่เสียวนเรื่องของผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับลูกๆอย่ามาสอดที่นี่เลยโจวเจียนเย่ไม่อยากดึงลูกสาวเข้ามาเกี่ยวข้อง แม่หนูโดนรังแกอยู่ตรงนี้จะไม่เกี่ยวกับหนูได้ยังไงคะลีหวานกอดอกหนูเคยบอกแล้วไงว่าต่อจากนี้ไปใครก็ห้ามมารังแกแม่หนูลีชิงผิงมองลูกสาวด้วยความเศราซึ้งใจตอนนี้เธอเองก็มีคนคอยปกป้องแล้วใช่ตราบใดที่มีผมอยู่อย่าหวังว่าใครจะมารังแกเมียกับลูกสาวผมได้เจิ้งหวินชงตะหวาดเสียงกร้าวคุณที่เจนเยช่างเถอะเขาพวกเขามีอํานาจวาสนาเราสู้เขาไม่ได้หรอก ลิวเคอเคอน้ำตาคลอเบ้าพลางรังโจวเจียนเย่ที่กำลังจะพูดต่อเธอสายหน้าเราไปกันเถอคะค่ะคำพูดนี้ง่ายเพียงประโยคเดียวกลับโยนความผิดไปให้เจิ้งอวิ๋นชงอีกครั้งลีชิงพิงอยากจะฉีกปากหล่อนทิ้งเสียจริงเมื่อกี้เธอวิ่งมาหาฉันบังคับให้ฉันคืนเงินให้เธอพอฉันไม่ยอมเธอก็มาเล่นละครตบตาที่นี่พยายามใช้คำพูดของคนรอบข้างมาสาดโคลใส่ฉันลีชิงพิงกล่าวโทษฉันพูดผิดตรงไหน ฉันกล้าสาบานต่อฟ้าดินตรงนี้เลยกล้าเอาลูกในท้องเป็นเดิมพันด้วยว่าเมื่อกี้ฉันไม่ได้ผลักเธอแล้วเธอละกล้าสาบานไหมลีชิงผิงพูดด้วยอารมณ์พลุ่งพลานหลิวเครอรเครอพูดมาสิสาบานอีกแล้วหลิวเคอร์เคอกัดฟันแน่นเธอไม่กล้าเอาลูกในท้องมาสาบานหรอกลีชิงผิงบีดคันให้หลิวเคอรเคอให้คําตอบต่อให้โจเจี้ยนเย่จะปฏิกิริยาช้าแค่ไหนเขาก็เริ่มมองออกแล้วว่าหลิวเคอเคอมีพิรุษเธอไม่กล้าพูด สีหน้าของโจเจียนเย่ดูแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดเคิรเคิรเมื่อกี้คุณจงใจล้มเองเพื่อใส่ร้ายชิงผิงจริงๆเหรอเจียนเย่เปล่านะคะฉันไม่ได้ล้มเองหรือชิงผิงเป็นคนผลักจริงๆค่ะหลิวเคริรเคิรเริ่มหลนลานงั้นทําไมคุณถึงไม่กล้าสาบานละ่ะโจเจียนเย่สักไซมันเป็นลางร้ายนะคะฉันจะไปแช่งลูกของเราได้ยังไงถ้าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงคํำสาบแช่งนั่นก็ไม่มีวันเป็นจริงหรอกคุณจะกลัวอะไร